แข้าพเจ้าได้มาวัดป่าบ้านตากครั้งแรกเพื่อทอดกรถินกับแม่โดยพระพี่ชายชื่อมหาทองเงินได้มาบวชและจําพรรษาอยู่ที่วัดป่าบ้านตากกับหลวงตามหาบัวอยู่ก่อนแล้วต่อมาปีพศ2541ข้าพเจ้าจึงได้มาอยู่จําพรรษาที่นี่ตลอดมาจนถึงปีพศ2550ผลของการภาวนา 1>, 1. ครั้งแรกภาวนาอยู่ที่อื่นได้ยินเสียงของพระพุทธองค์บอกให้ไปหาพระหลวงตามหาบัวที่วัดป่าบ้านตาด 2. พอนั่งภาวนาอีกครั้งได้มองเห็นพระอริยะเจ้าด้วยตาเนื้อและได้กราบเรียนท่านว่าเวลาระลึกถึงพระพุทธเจ้าหรือพระอริยะเจ้าก็เพียงระลึกถึงพุทธโธก็จะถึงทั้งพระพุทธเจ้าและพระอริยะเจ้าทุกพระองค์เลยส ขณะเดินจงกรมวันหนึ่งถึงครึ่งคืนเกิดเวทนาหนักมากแต่ก็อดทนทาต่อจนกระทั่งเวทนาดับแล้วกายเบาหลงชื่อนางสาวแก้วอัมพรัต